สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึเรื่องคําอุปมาสุดท้ายของเทวงังนุลตอนที่สครับพระเจชนะของพระเจ้าในเช้าวนันนี้อยู่ในพระธรรมย้อนบทที่15้าข้อที่9ถึงข้อที่10พระธรรมย้อนบทที่สิบห้ข้อที่9ถึงข้อที่10โปรดฟังพระเจชนะของพระเจ้าพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา ถ้าทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์พี่น้องครับเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นเถาอางุ่นแล้วทั้งหลายเป็นข น, แนงและพระบิดานั้นเป็นผู้ที่เจ้าของสวนและเป็นผู้ปลูกสถวัลยนุ่นนี้พี่น้องครับ ในข้อที่ในข้อที่เ้าและข้อที่สิบนี้ทําให้เรารู้ว่าพระบิดานั้นทรงรักพระเยซูอย่างมากและพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายเหมือนกันอย่างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้านะครับการยึดมั่นในความรักของพระเจ้าแสดงออกด้วยอะไรครับคําตอบก็คือแสดงออกด้วยการประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นว่านี่คือการติดสนิด นะครับติดสนิทอีกประเภทหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ้การเข้าสนิทกับพระเยซูโดยการอธิษฐานนะครับและโดยการศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราจะมาดูว่าการติดสนิทอีกประเภทหนึ่งก็คือการติดสนิทด้วยการเชื่อฟังนะครับพระเยซูตรัสว่าการเข้าสนิทในพระองค์และในความรักของพระองค์นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเราประโยคนี้เป็นพระบัญชาที่ชัดเจนมากนะครับสําหรับคึ้นเตียนเพราะว่าประโยคนี้ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของเราเราก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรายึดมั่นอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าเราก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าแสดงว่า ความรักที่เรามีอยู่ในพระเจ้านั้นแสดงออกด้วยการเชื่อฟังด้วยการประพฤติตามครับและนี่คือการเข้าชนิทหรือติดสนิทนะครับและในช่วงนี้ผมอยากจะบอกว่าเราถอยกลับไปในข้อที่สี่นะครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเรานั้นนะครับเป็นข้อความเชิงอะไรครับเชิงบังคับครับเป็นคำสั่งจงนะครับจงพิสตีนจานวนมากไม่ได้ตรหนักถึงความ สำคัญของคำสั่งนี้เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับและเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังครับพระเยซูสอนเราและสั่งเราให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์คี่สตีนจำนวนมากนั้นอ่านพระคัมภีร์นะครับก็อ่านอธิษฐานก็อ่านนะแต่ยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงไม่ได้มีความชื่นชมยินดี สัญญาของพระเจ้ายังไม่เห็นสำเร็จเลยพี่น้องครับยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีความเติมเต็มตามที่บรรยายไว้ในบทที่สิบห้านี้ถามว่าเพราะอะไรครับทำไมถึงเป็นเหตุนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาติดสนิท ก, กับพระคริสต์ยังไม่เต็มที่ครับเพราะว่ายังไม่มีการเชื่อฟังยังไม่ได้ยึดอยู่ในความรักของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเพราะฉะนั้น จึงไม่มีสูนยรชยียภาพในความรักของพระเจ้านะครับเพราะเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงการเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเป็นสิ่งที่ต้องมีตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้ า, ญญาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราอธิษฐานทุกวันเราก็จะสัมผัสและดื่มด่าและาซาบซึ้งกับพระสัญญาเหล่านี้จนกระทั่งเรานั้นมีจิตใจนะครับที่เปลี่ยนไป เป็นการเชื่อฟังพระเจ้านะครับหลายหายครั้งนะครับการเชื่อฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระชนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอิจฉานนะครับเราได้ยินพระเสียงของพระเจ้าไม่ว่าจะตัดผ่านทางใดทางหนึ่งนะครับเราจะต้องตั้งใจความตั้งใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะว่าหากว่าเราไม่มีความตั้งใจแล้วสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเชื่อฟังเราเชื่อฟังนั้นก็เป็นลมเป็นแรงไปหมด นะครับเป็นลมเป็นแรงไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อฟังเรายังเชื่อฟังและเราก่อนจะเชื่อฟังนั้นต้องตั้งใจใช่ก่อนครับเราต้องตั้งใจใช่ก่อนเพราะว่าการตั้งใจนั้นเป็นต้นเหตุนะครับหรือว่าเป็นมูลเหตุของการพื้นต่อมามีตัวอย่างในหลายๆข้อในพระคัมภีนะครับเช่นที่สอนและสั่งว่าเราจะต้องไม่ซุบซิบนินทานะครับเราจะต้องไม่กล่าวโทษคนอื่น เราจะต้องไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นแต่เมื่อเรา break the rules นะครับหรือว่าเราทำลายนะครับไม่เชื่อฟังนะครับเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะครับผมจะใช้คำว่าสาหัสก็ได้เพราะอะไรครับเพราะหากว่าถ้าเรากำลังพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวคนอื่นเรากำลังซุบชิบทางคนอื่น แล้กากำลังกล่าวโทษคนอื่นล้วกาลังคิดไม่ดีล้วกำลังทำไม่ดีคนอื่นเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูครับนะครับหรือบางคนอาจจะมีบาปที่ไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับเรากำลังให้ความบาปนั้นมันกัดกร่อนกัดกินนะครับเหมือนกับสนิมเหล็กที่ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูอยู่ทำให้การหล่อเลี้ยง ที่มาจากการอธิษฐานการอ่านพระบุพีจะหยุดชะงักลงเพราะเหตุที่ความบาปนั้นทําลายความสัมพันธ์พี่น้องครับเราจะทําอย่างไรต่อปัญหานี้คําตอบก็คือเราจะต้องมีการสารภาพนะครับมีการสารภาพและการยกโทษให้กับคนอื่นนะครับการสารภาพคือการทูลขอการยกโทษจากพระเจ้าและเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นพี่น้องครับ กลับมาที่คําอธิษฐานของพระเยซูบอกว่าอะไรครับให้เรายกโทษให้คนอื่นก่อนนะครับพระเยพระเจ้าถึงจะยกโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนจํานวนมากครับไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และทําให้เกิดสภาพของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวกับพระเจ้าในวีดียวกันเขาก็ได้ทําลายตัวเองก็คือชีวิตของเขานั้นไม่ได้อยู่ในความรักของพระเจ้าและไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและที่สําคัญคือไม่เกิดผล เป็นเคล็ดสตรียนที่ไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยพี่น้องครับเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้ผมอยากจะผมไม่อยากจะให้พี่น้องท้อใจแต่ผมอยากจะให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับในการอะไรครับในการประเมินความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระเจ้าทุกๆกวันครับอย่าปล่อยให้มีอะไรนะซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและกัดกินความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเราจะต้องประเมินความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ้าทุกๆวันครับว่าเราได้อธิษฐานนะครับมากน้อยขนาดไหนเราได้พึ่งพาพระเจ้าถ่อมใจลงมากน้อยขนาดไหนเราติดสนิทกับพระเยซูมากน้อยขนาดไหนเราอ่านพระวจะนะของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญซึ่งเป็น key index นะครับคือตัวบ่งชี้ที่สำคัญก็คือว่าเราตั้งใจที่จะเชื่อฟังและเราประพฤติตัวนะครับดาเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังอย่างแท้จริงจริงหรือไม่ พี่น้องครับเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้านะครับถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่นะครับถ้อยคำของพระเจ้าก็จะมีฤทธิ์เดชและก็จะออกฤทธิ์ส่งผลกับชีวิตของเรานะครับและเราจะต้องตั้งใจที่เชื่อฟังครับหลายหลายครั้งนะครับเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ยอยากจะเชื่อฟังนะครับเราก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนใจเรา ให้เราเกิดความอยากให้เรามีความตั้งใจหลายครั้งเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราอาจจะทําไม่ได้มีกําลังไม่พอนะครับไม่ต้องกลัวครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โปร่งทรงสามารถที่จะช่วยเหลือเราให้เราเมื่อตั้งใจแล้วนะครับเราพยายามแล้วที่เหลือเป็นของพระเจ้าครับส่วนนั้นเป็นของที่พระเจ้าจะทรงนําและให้กําลังเราเสริมจิตใจเราให้เข้มแข็งในการที่จะทําได้นะครับสุดท้ายนะครับคําถามก็คือว่า เราจะทําอย่างไรนะครับทําไมพระเยซูจึงเล่าคําอุหมานี้ซึ่งฟังแล้วหลายหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอืมทําไงมันทํายากนะครับทํายากและมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเข็นคขขึ้นบกเขาหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าให้เราอ่านพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อสิบเอ็ดนะครับถ้าท่านลองอ่านต่อไปท่านจะรู้นะครับว่าพระเยซูตัดว่าอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของท่านดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปลี่ยมพี่น้องครับพระเยซูต้องการให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความสุขนะครับมีความยินดีที่เต็มเปลี่ยมเต็มล้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือกําลังที่มาจากพระเจ้าเป็นกําลังใจและการหนุนใจที่พระเยซูให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งพร้อมที่จะเชื่อฟังตั้งใจเชื่อฟังนี่คือการติดสนิท ค, ครับพระเจ้าในวันนี้ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานส่วนตัวนะครับ ให้เรามีท่าทีแห่งความตั้งใจครับท่าทีแห่งความตั้งใจที่จะยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังด้วยนะครับติดิทกับพระจากับชีวิตของเราจะเกิดผลมากและเมื่อชีวิตของเราเกิดผลมากพระบิดาได้รักเกียรติครับและพระเยซูก็มีความยินดีและเราก็มีความยินดีและความยินดีของเรานั้นเต็มเปี่ยมครับเต็มเปี่ยมนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อาเมน